อธิบายศัพทานุกรมในที่นี้เป็นการอธิบายศัพซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความหมายเฉพาะแห่งพระวินัยที่ปรากฏในหนังสือวินัยมุกเล่มหนึ่งนี้เท่านั้นนะครับอาการและจีวรจีวร น, นันเกิดขึ้นนอกเวลาคือเลยเวลาอานิสงส์งพรษาหรืออนิสงส์งกถินอากุศลธรรม ทำฝ่ายไม่ดีอจิตกะไม่มีจิตเจือไม่แกล้งไม่จงใจอเจละกาวักงวดแห่งศิคยาบทว่าดิเรเรื่องภิกษุให้ของเคี้ยวของฉันแก่ฉีบเลือยเป็นต้นอเตกิจชาแก้ไม่ได้ทําให้พ้นไม่ได้ ทำคืนไม่ได้ทำให้บริสุทธิ์ไม่ได้อธินนาทานการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้อธิกรคดีเรื่องความที่ฟ้องกันเรื่องที่ต้องจัดต้องทำอธิกรณสมทธา ข้อสำหรับระ ง, งับอธิกรอธิจิตสิกขาศึกษาเรื่องจิตยิ่งคือทำใจให้เป็นสมาธิอธิปัญญาสิกขาศึกษาเรื่องปัญญายิ่งคือพิจารณาสังขารตามเป็นจริงอธิศิลสิกขา ศึกษาเรื่องศีลยิ่งคือสํารวมในพระปาติโมกอธิษฐานตั้งเอาไว้ความตั้งใจปรารถนาให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่ต้องการอธิเรกจีวรจีวรที่เหลือจากตรายจีวรที่อธิษฐานอธิเรกบาท บาตรที่เหลือจากบาตรอธิษฐานอนวเสสะหรืออนวเศษคืออาบัต ท, ที่ภิกษุต้องเข้าแล้วไม่มีส่วนแห่งความเป็นสมณะเหลืออยู่เลยอนาคามิมักมักเป็นเหตุละสังโยชน์เบื้องต่ำได้ทั้งห้า อาาคามีผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิมักอนาคามิผลซึ่งจัดเป็นอริยบุคคลคู่ที่สามอนณาจารย์ความประพฤติไม่ดีไม่งามอนาณนาณติกาอาบัติที่ไม่ต้องเพราะสั่งให้ทำ อาาบัตรไม่เป็นอาบัตไม่ต้องอาบัตไม่มีโทษอาณาปฏิวานตอนหรือคราวที่ว่าด้วยเรื่องอนณาบัตรอนณามาทสิ่งที่ไม่ควรจับต้องอนิยตะ ไม่แน่โทษที่ยังไม่แน่อาบัติที่ยังไม่แน่อนุประสัมบันผู้ที่ไม่ได้อุปสมบทคนอื่นนอกจากภิกษุและภิกษุณีแต่แม้ภิกษุณีก็จัดเป็นอนุประสัมบันของภิกษุอนุสาวนา ให้ได้ยินตามประกาศให้ได้ยินทั่วกันอัปโลกบอกเล่าหรือประกาศอภิสมาจารมัน ญ, ญาติอันดีความประพฤติอันดีอรหัตมักมักเป็นเหตุลาสังโยชน์ได้ทั้งสิบ อรหันต์พระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตมักอรหัตผลซึ่งจัดเป็นพระอริยะบุคคลคู่ที่สี่อริยาสาวิกาสตรีผู้เป็นสาวิกาผู้ฟังคือสิทธิของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นอริยะได้แก่สตรีผู้ตั้งอยู่ในโซดาปฏิมัคเป็นต้นและสตรีผู้ถือพระรัตนตรยัย ว่าเป็นสาระที่พึงอลัลชีผู้ไม่ละอายผู้ไม่กลัวอาบัตอวดคือแสดงให้รู้ยกย่องต่อหน้าคนอวหารการลักการขโมยอาการที่ถือว่าเป็นลักทรัพย์ วิญญาณนั ก, กะทราบโดยสิ่งของที่ไม่มีวิญญาณอาสังหาริมทรัพย์ทรืบโดยสิ่งของอันเคลื่อนที่ไม่ได้ติดอยู่กับที่อังคาตถวายอาหารพระเลี้ยงพระอเจกะจีวอน จิวนรีบร้อนคือผ้าจำนานพรรษาหรือวาสาวาสกาที่ทายกทายิกาวรีถวายก่อนออกพรรษาตั้งแต่หนึ่งวันถึงส0บวันอาจารย์การละเมิดประเพณีความประพฤติชั่วการล่วงมัญญาติ อัญญาวาทกะกรรมกรรมวาจาที่สงสวดประกาศในเมื่อภิกษุผู้พระพฤติอนาจารถูกซักถามในถ่ำกลางสงและเอาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อนเสียอัตตากิลามัทานุโยกการประกอบความเพียรทรมานตัวให้ลำบาก ท่ า, าธากะเป็นชื่อของการสั่งให้ลักอย่างหนึ่งซึ่งแปลว่ายัางอัตถะให้สําเร็จคือให้การลักสําเร็จหรือสําเร็จเป็นการลักอโภโหหาริกคือกล่าวไม่ได้ว่ามีหรือไม่ควรกล่าวอ้างหรือมีเหมือนไม่มี อับพันดรส่วนในภายในท้ำกลางชื่อมารวัดนิบาลีหนึ่งอับพันดรเท่ากับเจ็ดวาอับพานการสสดรับภิกษุต้องสังฆาทิเศษและได้ประพฤติมานัดหรืออยู่ปริวา ด, ด้วยแล้วให้กลับเป็นผู้บริสุทธิ์ตามเดิม อาสดงพระอาทิตตกค่ำแล้วอากรค่าธรรมเนียมที่รัฐบาลเรียกเก็บจากสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติหรือสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อการค้าอาการอิริยาท่าทางอานติหรืออานัตข้อบังคับ อธิกรรมมิกาพูดทางคนแรกผู้ก่อเหตุให้ทรงบัญญัติสิกขาบทอานิสงผลประโยชน์ผลดีอาบัตความล่วงละเมิดโทษโทษที่เกิดเพราะความละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามอามิตร เยื่อเครื่องล่อปั จ, จัยสีอาสนะที่นั่งอาสันทิม้าสี่เหลี่ยมนั่งได้คนเดียวอาหัรเจบาทเตียงที่มีเท้าที่ไม่ได้ตรึงให้แน่นอุเคปนิยกรรม กรรมคือการยกเสียจากการสมโพคคือคบหากับสงตัดสิทธ์ของภิกษุเสีย้ยวคราวเพราะไม่เห็นอาบัตหรือเพราะไม่ทำคืนอาบัตหรือเพราะไม่สละทิฏฐิบาปอุปกริตคือสูงสุดอย่างสูงอุตริมนุสธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ ได้แก่ฌานวิโมกสมาธิสมาบัติมรผลอุธาหอนคือตัวอย่างอุบาสกผู้นางใกล้พระรัตนตรยัยผู้ชายเป็นครวาดมีศรัทธาเลื่อมใสถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะ ปจาระคือที่ใกล้หรือบริเวณรอบๆ อ, อุปสัมปทาการวดเป็นภิกษุอุปโสสะหรืออุโบสถการเข้าอยู่การเข้าทำอุโบสถที่ทรงธรรมทุกกึ่งเดือนอุพโตอุปสัมปันนา สตรีผู้บวชแล้วในสงสองฝ่ายคือภิกษุณีผู้ได้รับการอุปสมบทสมบูรณ์แล้วเอกโตอุปสำปันนาสตรีผู้บวชแล้วในสงฝ่ายเดียวคือภิกษุณีที่ได้รับการอุปสมบทยังไม่สมบูรณ์เอกเทศคือส่วนหนึ่งเฉพาะอย่าง บางส่วนหรือบางอย่างเอกพันดะปัญจกะหมวดห้าแห่งการลักมีของสิ่งเดียวเป็นที่กำหนดคือหนึ่งอาทิยะนังโจ์หรือตูเอาของมีวิญญาณคือทาตหรือสัตว์เลี้ยงของเขา 2. อหรนัง นำคือลักเอาของมีวิญญาณนั้นไป 3. อวหาระนังบิดเพี้ยนคือช่อเอาของที่มีวิญญาณที่เขาฝากไว้ 4. อิริยาัถาวิโกปนังทำอิริยาบทแห่งของมีวิญญาณนั้นให้กำเริบคือไล่หรือชักชวน อฐ า, านาจาวนังทำของมีวิญญาณ น, นั้นให้เคลื่อนจากที่แม้ไม่นำไปอื่นเอกคตตาความมีอารมณ์เป็นอันเดียวความมีจิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวโอ้น้ำคือภาชนะอย่างหนึ่ง สำหรับใส่น้ำคล้ายขันกลึงด้วยไม้บ้างสารแล้วถมรักบ้างโอมัสวาสิกขาบทสิกขาบทว่าด้วยคำพูดเสียแทงให้เจ็บใจคือด่าโอวาทวักหมวดแห่งสิกขาบทว่าด้วยการสอนภิกษุณีเป็นต้น เป็นปาจิตติยวักที่สาม